ท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัมม น, นาสนทนาได้ทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับเราในช่วงต้นของรายการเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้ของทุกท่านกันนะคะจริงๆก็เป็นสิริมงคลทุกวันโดยพระมาร์ชชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งจะมีการทอดกรินในวันที่สี่พฤศิกา ย, ยนที่จะถึงนี้ค่ะถ้า อย่างไรท่านสนใจขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์สองสองหกเก้าศูนย์ศูย์ศูนย์หกนะคะในส่วนของช่วงเวลาต่อไปก็จะเป็นการไปพบกับพระภัยบุญอภิปุโ น, โนจากว่าป่าดอนหายโศอุดรธานีช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะในมัสกการทั้งคะเรยนบอลค่ะก็ได้กลับเรียนถามท่านเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติอการทําสมาธิ ซึ่งสืบเนื่องจากที่กล่าบเรียนถามท่านว่าทางบะทางมาแห่งบุญของบุญทอดกรถินเป็นอย่างไรของคนที่ปฏิเสธการทําบุญกับพระเป็นอย่างไรของอะไรก็แล้วแต่แล้วท่านก็บอกว่าผ่านศีลภาวนานี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญดิฉัน <Okay. S 2> อยากจะให้ท่านส่งท้ายด้วยการพูดถึงเรื่องภาวนาก็เวลาหมดพอดี <c oughs> วันนี้เดี๋ยวตอนส่งท้ายพยายามเหลือกันแล้วกันนะคะ <laughs> ท่านคะดิฉันเองเนี่ยเห็นโลก แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยแน่นอนจริงๆ อ, อย่างก่อนหน้าเนี้ยคนมีแต่ความห่วงกังวลว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าน้าจะท่วมหรือเปล่าแต่พอมาถึงวันนี้ไอ้น้ำที่ทำท่าท่วมไปแล้วในบางที่ด้วยซ้ำกลับกลายเป็นแห้งแล้งมาก อ, มอย่างยกตัวอย่างแค่จังหวัดเดียวก่อนเพราะว่าเป็นข่าวปรากฏชัดเจนว่าไรนาเสียหายเป็นหมื่นไร่ ก็บอกที่นครพนม oh. ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยบอกว่าสิบปีไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้ hmm. Hmm. เป็นต้นนะคะที่ฉนันเองก็ไปอ่านเรื่องราวของชีวิตนักฟิสิกส์ก็คือที่ชื่อสตีเฟนอะไรกอย่างที่จะรู้จักชาย uh. ที่เขาเขาเป็นกล้ามเืออ่อนแรงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดพูดก็ไม่ได้แต่สามารถ ที่จะส่งเสียงออกมาได้ด้วยเทคโนโลยีพิเศษว่าอย่างงั้นเถอะอ่อก็มีคนบอกว่าเรื่องของท่านเนี้ยอธิบายยากอืมคือปกติคนอื่นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่นี่อยู่มาเจ็ดสิบปียังไม่เสียชีวิตทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นโรคแบบเนี้ยตั้งแต่วัยยังหนุ่มนะคะอายุยี่สบเ็ดเศษเศษท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่ดิฉันไปอ่านมาท่านพูดถึงว่าตัวท่านเองก็เป็นห่วงโลกใบเนี้ยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะอยู่บนดวงดาวนี้ไม่ได้อือนาคตอันไกลโพ้น ใครจะคิดแต่ว่าพวกที่เขาคิดคำนวณเก่งๆเขาจินตนาการไปขนาดนั้นแล้วใช่จริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นพุทธวจนะไว้ไหมคะมีมีพระเจ้าเคยตรัสวงนีบอกว่าใครจะคิดใครจะเชื่อเราว่าคุณเขาสิเนรุและผืนปฐพีนี้จะมอดไหมวินาศสูญสิ้นไปได้นอกจากพวกที่มีบทอันตนเห็นแล้ว ใครจะคิดใครจะเชื่อว่าคุณเขาซินเนรุตหมายถึงภูเขาฮิมัลัยทั้งเถื่อเลยน ะ, ะพร้อมกับผืนปัตตพีนี้จะลุกไหม้เสื่อมสิ้นไปได้ ค, คือเราไม่ใช่พูดถึงว่ามันร้อนเฉยๆนะคุณผู้ชมติพรู้ชอบพูดถึงว่าไฟดวงอาทิตย์มา7ดวงคือตั้งแต่ฝนไม่ตกเป็นแสนๆปีก่อนน ะ, ะแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงที่2องโผล่ขึ้นมาเลยอันบานี้ดวงอาทิตย์ดวงที่สามสี่ห้าหกเจ็ดความร้อนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้ำทะเลก็ค่อยเหือดแห้งไป นจนไม่มีเลยแผ่นดินก็ร้อนระอุมีควันขึ้นมีไฟขึ้นจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องแบบดูเหมือนกับเราคิดไปไม่ค่อยถึงอ่าอันนี้<ต>คือเรื่องใกล้กๆตัวอ่าเป็นพุทธปรชนะที่ที่ยินแล้วว่าเออแบบนี้มันก็มีแต่ว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่ฝนตกไม่ไม่ตกมาแสนปีแล้วแต่ตอนนั้นมนุษย์อยู่ไม่ได้แล้วถ้าพระพุทธเจ้าพูดถึงขนาดนี้คนมางคลอาจจะบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเนี่ย มันก็ต้องถือว่าหนักหนาสาหัสสาการแล้วถึงขนาดนั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่มันจะเป็นไปได้หรือนะคะทุกคนอาจจะสงสัยแบบนี้อ่าก็พระพุทธเจาตอบไปอีกเหมือนกันว่าใครเล่าจะคิดใครเล่าจะเชื่อนะนอกจากพวกมีบทอันตนเห็นแล้วคุณโยมที่ดูสมัยก่อนเขาไม่เชื่อนะว่าโรกลมอ่ะค่ะอ่าจนกระทั่งพวกมีบทอันตนเห็นแล้วคือไปวิ่งเรือรอบโลกเอ้าวกลับมาที่เดิมมีบทอันตนเห็นแล้วเป็นภาษาที่ แปลกจังเลยค่ะเอ่อก็ปลามาจากมาลีตรงตัวนะทีนี้พูดเป็นภาษาไทยก็คือว่านอกจากพวกที่มีความรู้นั่นเองแลนอกจากพวกที่มีความรู้ความเห็นตรงนี้แต่ถ้าเขามี <c oughs> ความ <c oughs> มีเครื่องรู้พิเศษอ่ะก็สามารถรู้ได้อะนะ <c oughs> ในกรณีนี้เอ่อหรือถ้าเราพูดถึงฟ้าผ่อาอ่าฝนตกอย่างเงี้ยทุกคนหนึ่งก็จะไปเข้าใจว่าโอ้นี่เทพเจ้าบรรดาอะไรต่าง แต่พอเข้าใจกระบวนการธรรมชาติแล้วเขาก็ไม่บูชาฟ้าผ่ากันอีกต่อไปละสมัยก่อนยุคหินนั่นนะก็บูชาท้องฟ้าบูชาเมฆอะไรต่างเดี๋ยววเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วก็ก็ผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอืา ก, ก็ก็แค่นั้นเองเดี๋ยวฉันกําลังจะกลาบเรียนถาม ท, าท่านสักครู่นถึงเรื่องที่บอกว่าถ้าจินตนาการไกลๆแบบนั้นดูเหมือนมันไกลเกินไปแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเนี่ยอืมก็เจอคนรู้จักกัน ไม่ได้เจอนานพอเจอหน้ากันทีถามถึงครอบครัวก็บอกว่าอา้าวทิ้งร่างกันนานแล้วอนะคะไอ้เราก็ตกใจว่าโอ้โหดูท่าไม่น่าจะทิ้งร่างกันได้เลยอืก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็เลยบอกว่าเพราะมันต้องเกิดอ่ะ <laughs> มันเป็น<อ>เวรเป็นกรรมวันนี้นะคะอเออเราก็มานั่งคิดนะเรื่องแบบนี้ความจริงก็กะเกลิลําบากเหมือนกันใช่ มันก็เป็นเรื่องที่อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดได้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะว่าเช่นนั้นใช่ค่ะถ้าถ้า ถ, ถ้าจะอธิบายแบบธรรมะคราจารย์ค่ะถ้าจะอธิบายแบบธรรมะในเรื่องนี้ก็คือว่าบางอย่างเราก็ควบคุมได้นะบางอย่างเราก็ควบคุมได้ยากในอย่างบางอย่างที่ควบคุมได้ก็อย่างเช่นว่าจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราฝึกมาดีเราจะควบคุมได้แตนะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็คือสิ่งภายนอกทั้งหมดเลยจิตใจของเขาจะเป็นยังไงเราควบคุมไม่ได้ ฝนฟ้าจะเป็นไงเราก็ควบคุมไม่ได้แต่ที่อาจมาต้องการจะเน้นก็คือว่าไอ้จิตใจที่เราพอจะควบคุมได้เนี่ยควบคุมยังไงนะคือควบคุมว่าสิ่งต่างๆภายนอกเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามฉันต้องไม่ทําอกุศลนะโลกจะอยู่ได้จะอยู่ไม่ได้เขาจะเถียงกันยังไงก็ตามฉันจะต้องไม่สร้างอากุศลนะคนนี้เขาจะดีไม่ดีฉันจะต้องไม่เอาเรื่องที่คนอื่นไม่ดีมาเป็นเหตุให้ฉันทําไม่ดีฉันต้องทําดีอย่างเงี้ย เนี่ยคือเราควบคุมปัจจัยที่เราควบคุมได้นี่ยคือจิตของเราแค่นี้เองแตเราจะไปรอดอยู่ไปรอดในที่นี้หมายความว่างไงอย่างกรณีถ้าคุณยมติวพูดถึงว่าโลกมันจะอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะไปรอดตรงที่ว่าเราจะไม่ไปทุกขติเราจะไม่ไปสู่ภพภูมิที่มันไม่ดีนี่นี่คือเราไปรอดอยู่ยังพอสบายอยู่บ้างในอย่างรกรณีเพื่อนคุณยมติวที่เลิกร้างกันไปอย่างเงี้ยถ้าเาลิกร้างกันไปจริงๆริงเขาก็ยังสบายใจอยู่ เนะี่ไม่ทุบบกชบตัวร่ําให้คร่ําครวญไม่เป็นอย่างนั้นเนะี่ยก็ยังยางไปรอดอยู่นะไม่ว่าจะกรณีไหนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวขณะว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนหรือว่าเรื่องไกลตัวขณะที่ว่าไม่รู้มันจะมาถึงเมื่อไหร่โลกจะแตกโลกจะไม่แตกเนี้ยนะ <c oughs> เราก็สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นเองเท่ากับว่ า, าเราจะต้องทําในสิ่งที่ไม่เป็นอคุสน <c oughs> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่นี้คนที่ ยังไม่คุ้นเคยมันก็ต้องมีการฝึกกันหน่อยนะครับเพราะดี่ฉันเชื่อว่าสารพัดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงน่ะหรือบางครั้งเราก็คิดก่อนแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นแต่พอเอาเข้าจริงๆรับกันไม่ค่อยรับกันไม่ค่อยไหวไม่ไหวจําเป็นไม่ข้ามนุษย์ที่จะต้องเตรียมตัวเอาไว้อยู่เสมอและถ้าหากว่าเตรียมได้เราควรจะเตรียมอย่างแน่นอนแน่นอนต้องเตรียมตัวพระเจ้าบอกว่าต้องเตรียมตัวเลย นะไยในอนาคตห้าประการที่ยังไม่เกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่ยอย่างเช่นว่าเวลาที่ทุพพิกภัยเกิดทุพพิฆไพอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่ก่อนทุพพิกภัยนะโอ้ยมันจะไปทันได้ไงทุพพิกภัยนี่แย่ยากเลยนะคะทุพพิภัยคือหมายว่าเข้ายาหมากแพงฝนแรงพวกนี้ก็จัดอยู่ในพวกนี้หมดอนนี้คือเป็นหนึ่งนะข้อที่หนึ่งเตรียมตัวนี่เตรียมตัวยังไงนะคือทําความเพียรฝึกจิตของเรา <ช>คือธรามะหากินเราก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมเก็บพร้อมรำรีบเราก็ต้องทําอยู่แล้วเป็นธรรมดาแล้วจิตเราหลักคุณทําหรือยังนะเพราะว่าถึงแม้ที่เราเก็บพร้อมรารีบไว้ที่เราทํามะหากินเอาไว้น้ำที่เรา ก, ากักตุนเอาไว้มันอาจจะไม่พอก็ได้อาจจะพอนิดนึงแต่มันมันมากจริงจมันก็ไม่พอขึ้นมานะและตรง น, นั้นเนี่ยเราไม่เหลืออะไรที่เราจะควบคุมได้เลยนอกจากจิตของเราเพราะฉะนั้นตอนที่มันยังดีๆอยู่เนี่ยยังไม่มีทุกย์กระเยเนี่ยคุณจะต้องควบคุมรู้จักฝึกจิตเราด้วยนอกจากเตรียมข้าวเตรียมของนะ จิ่คุณต้องฝึกด้วยนะฝึกตรงนี้ก็คือว่าให้ทำความเปลี่ยนเพื่อที่เวลาที่เกิดทุพพิภพไปขึ้นเนี่ยเราจะยังเป็นที่ผู้ที่อยู่ผาสุขได้ค่ะ <Okay. S 1> ข้อที่สองพระเจ้าพูดถึงโจรภยัยนะโจรขบฏขึ้นยานมีล้อโอ้แบบนี้ก็จะกระจายมาบุกเมืองอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นะ น, นี่เราก็ต้องระวังนะที่อนาคตยังไม่มีนะอนาคตจะมีนะตอนนี้ยังไม่มีนะคุณเรียบเ <Okay. S 1> ตรียมการไ้ก่อนเลยนะ อนี่คือเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามคือโรคภัยแค่เจ็บของเราโรคภัยแค่เจ็บใครจะไปคิดนะว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งขั้นสีขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่แน่นะเออเราจะทํายังไงพอเมื่อเราเจอโรคร้ายขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ค่ะแล้วอี ก, กเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ค น, น, นยังสงอย่างแตกกันอยู่นะคือหมายถึงว่าสงยังตอนนี้ยังสมัคคียกันอยู่ แต่ถ้าตอนที่สงแตกกันแล้วนี่ยมีเรื่องราวของข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ละอยู่มากมายกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยโอ้ยยิ่งจะทําเข้าใจคําสอนพระชาติได้มากยากยิ่งขึ้นแตดังนั้นตอนนี้เรียังพอจะมีคําสอนที่ดีๆอยู่เนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้มันถูกให้มันดีขึ้นมาได้เมื่อฟังเช่นนี้แล้วท่านฟังคิดว่าความไม่ประมาทเริ่มจําเป็นแล้วใช่ไหมค ะ, ะเราจะไม่ประมาทกันด้วยวิธีใดดีที่สุดกันท่านคะเออกด้วยการมีสติ สติเนี่ยจะทำให้เรายูนด้วยความไม่ประมาทได้สตินี่มีหลายอย่างมากมีตั้งแต่แบบลึกๆจนถึงขั้นจิตข้างในนูนลึกๆหรือว่าเอาแค่สติธรรมดาสติสตังแบบเวลาขับรถธรรมดานี่ก็เป็นสติตัวเดียวกันหมดเลย <c oughs> ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เราฝึกนะก็คือมาจากลมหายใจนั่นแหละที่ท่านมาร์คพาทำตาั้งแต่ตอนแรกนะคือเราสังเกตลมหายใจไปเรื่อยๆจิตเรก็จะมีสติ ในระดับหนึ่งทำไปทำไปมันก็จะค่อยละเอียดลึกซึ้งลงไปลงไปลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคะที่ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นผู้ <จะ S 1> ที่เจ๋งจะสามารถรับมือได้ใช่มีสติถูกต้องทําไมถึงจะเป็นอย่างนั้นกระบวนการมันเป็นอย่างนี้คุณยมติวสมมติว่ามีผัสสะใดภาษาหนึ่งมากระทบเนะีแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้ที่เได้รับการฝึกจิตมาอย่างดีนะีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร นะสมมุติเป็นสิ่งที่มาจะทําให้เรารุ่มรุ่มหลงมัวเมาผัวพันธุนะ์เป็นของที่มีความน่ารักน่ายินดีเป็นต้นนะเอาเอาเอ า, เอาพูดในกรณีนี้ดีกว่าเอาของที่เราไม่พอใจนะเช่นฝนแรงเช่นความร้อนนะเช่นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจเลยนะพอเราเห็นตัวที่ไม่น่าพอใจนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะรู้แล้วอ๋ออันนี้ไม่น่าพอใจนะแต่คนที่เขาไม่ไม่เคยฝึกสติมาเนี่ยนะเขาก็จะจีจัดขึ้นมาล่ะ นะทุกอกโชคตัวถึงความเป็นผู้มุ่งคลั่งเพ ล, ลินล้วคือเพลินไปกับในสิ่งนั้น ล, ล่ะเพลินนี้ไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวนะเพลินกับสิ่งไม่ดีก็คือว่าคุณไหลไปตามเรื่อร้อยแล้วนะแต่คนที่มีสติจะเป็นยังไงนั้นในกระบวนการจริตของเขาเนี่ยปุ๊บเขาจะรู้ว่าอันนี้ไม่ดีนะจะรู้ขึ้นมาทันทสีสติจะเป็นตัวบอกนะพอไม่ดีเราจะเป็นยังไงนะเขาก็จะเห็นอีก5แงม่มุมนะคือเห็นทั้งข้อดีของมันข้อเสียของมันเหตุเกิดความดับและวิธีการดับอย่างน้อยเห็น5้าอย่างนี้นะ <Okay. S 2> เห็นให้อย่างนี้แลเสร็จปุ๊บโอ้ยมันจะมันเบื่อว่าไม่เอาหรอกสิ่งนี้มันเบื่อ <Okay. S 2> แต่เบื่อปุ๊บจิตเขาจะวางนะพอวางปุ๊บสิ่งนั้นมากระทบอยู่แต่จิตนั้นพอวางไปแล้วนะจิตวางไปแล้วนะก็จะไม่เป็นทุกข์จะไม่เป็นทุกข์ตามสิ่งที่มากระทบแค่นั้นเองนะสติ <Okay. S 2> จะเป็นตัวรักษาด้วยกระบวนการตรงนี้ mm. อ, อตรงตรงเนี้ยนะมันมันจะมีกระบวนการที่เป็นพุทธศาสนะที่พุทธเาบอกว่าอินทรีเนี่ยจะเป็นที่แรกเปสู่จิตนะ คือจิตเรารับรู้แล้วสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอินซีนะพรากระทบปุ๊บ <s it> มันแล่นไปสู่จิตจิตเราจะรับรู้แล้วนะจิตเนี่ยถ้ามีสติเนี่ยก็จะแล่นไปสู่สติถ้าได้รับการฝึกสติมานะแล้วสติเนี่ยจะพาแล่นไปสู่บีมุตดบีมุดตัวนี้คือปล่อยวางสิ่งนั้นได้ว่างงั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ไดอนะคะดังนั้นก็ฝึกสติกันที่ฉันฟังท่านเพริบูญเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า เราก็คงจะต้องฝึกกันอยู่โดยตลอดเพราะว่าบางครั้งก็คิดว่าบางช่วงเวลาอาจจะมีการฝึกกันอย่างต่อเนื่องแล้ว ร, รู้สึกว่ามันใช้การได้ละอืมแล้ อ, อสําหรับรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแต่พอมาวันหนึ่งหาง่หางไปอเราก็มีความรู้สึกว่าเราลลชักจะช้ากับการที่จะปรับเพื่อจะรับกับเหตุการณ์ชที่เกิดขึ้น คือคือไม่เก่งเท่าเก่าเท่ากับอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเปตือนไว้อย่างหนึ่งด้วยว่าสติเนี่ยก็เป็นของเกิดดับเหมือนกันของเสื่อมไปได้เพราะนั่นก็ต้องคอยฝึกอยู่เรื่อยๆะะแล้วแล้วบางบางกรณีเนี่ยเราเจอผัสสะที่มันใหญ่ขึ้นไปเนี่ยที่มันกระเทือนมากขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งจะต้องคอยฝึกให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเหมือนกันเถอะใช่ค่ะ<อ>คือถึงเห็นกับตัวเองแล้วนะคะได้พบว่าอ๋อพอเจอโจทย์ใหญ่ๆเนี่ยได้รู้เลยว่าต้องฝึกต่อหยุดไม่ได้ บางที่เราคิดว่าเออที่ผ่านมาเนี่แบบคิดว่าพอใช้ละพอเลี้ยงตัวไปได้ใช่ค่ะแต่พอให้กำลังใจค่ะใช่แต่พอเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเรายังต้องฝึกต่อใช่ค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านพิบูรณ์ได้กรุณาแนะนำพวกเรานั้นก็น่าที่จะทำให้เรามีความรู้ที่จะไปพัฒนาให้เกิดเป็นประโยชน์ในทางที่สติเจริญ เอาไว้สําหรับรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีกันทุกๆคนอันนี้ก็กล่าวนพัธ ก, การขอบพระคุณท่านในอย่างยิ่งค่ะเยี่ยม ban ค่ะข้าพเจังที่ครพค่ะและนี่ก็คือรายการสัมมนาสนทนานะคะซึ่งดําเนินรายการโดยสัมม น, นาพงอยู่ทางสถานดีวิทยุเอ็มครอบครัวข่าวเราคงเหลือเวลาที่จะประชาสัมพันธ์ว่าใกล้เต็มทีแล้วนะคะสำหรับวันเข้าวันออกพรรษาค่ ะ, คะก็คื อ, อสัปดาห์หน้าวันที่30 ตรงกับวันอังคารและหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็จะเป็นฤดูกาลของการทอดกระถิ่นวัดป่าดอนไฮโซที่ท่านเพบูบุญอภิปุนโนซึ่งมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพู้ทวจนะให้กับเราฟังเป็นประจำกับทางวัดนี่ก็มีการเปิดอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะอยู่เป็นประจำเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรการหลีกเร้นมีทุกเดือนเลยสม่ำเสมอมิได้ขาด จะมีการทอดกระถิงในวันที่11คฤศจิกายนเนื่องจากปีนี้ตัวของท่านเองก็คงได้แต่ทําแบบท่านทั้งหลายคือร่วมทําบุญแต่ด้วยตัวเองกอ็มีภาระอย่างอื่นก็จึงขออนุญาตที่จะร่วมทําบุญด้วยทิปประชาสัมพันธ์ให้กับท่านทั้งหลายทางนี้นะคะแล้วก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ของสถานวิทยุครอบครัวข่าวเอาไว้แล้วสําหรับการที่ท่านจะโทรศัพท์เข้าไปถามถึงรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร ที่เบอร์02 269 00 06นะคะถามได้ทั้งของวัดป่ารังไห้โสแล้วก็วัดนาปราพงค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพู้ทวาสวัสดีค่ะ